แรกอย่างว่าเรารู้ความว่างคนทั่วๆไปก็มักจะคิดว่าเราเรียนเราพูดรรบปรึกษาหาเรือกันเรื่องความว่างถ้าหมายเพียงเท่านั้นแล้วเรารู้ความว่างอย่างนี้ยังไม่ถูกคำว่ารู้ในภาษาธรรมะนั้นไม่ได้หมายถึงรู้เพราะเรียนเพราะฟังหรืออะไรทำนองนั้น หรือแม้แต่พูดว่าเราเข้าใจความว่างก็ยังไม่ใช่การรู้ถึงความว่างอยู่ดีคําว่ารู้คําว่าเข้าใจตามภาษาชาวบ้านตามธรรมดานี้เป็นเรื่องอ่านๆฟังๆคิดคิดนึกๆึกคำนวณไปตามเหตุผลกันทั้งนั้นกิริยาเหล่านี้ใช้กันไม่ได้กับการรู้ความว่างการรู้ความว่างนั้นต้องหมายถึงรู้สึกต่อความว่าง ที่จิตกำลังว่างอยู่จริงๆเราต้องรู้ต่อสิ่งที่กำลังมีอยู่แก่จิตใจจริงแล้วเรารู้ความว่างก็ต้องมีความว่างปรากฏอยู่ในขณะนั้นแล้วเรารู้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้ความว่างที่เราฟังกันมาตั้งสองครั้งแล้วแล้วเอาไปคิดไปนึกดูตามเหตุผลว่ามันควรจะเป็นได้ หรือมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นได้อย่างนั้นๆอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าความรู้ในที่นี้แต่ก็เป็นความรู้หรือเป็นความเข้าใจตามภาษาธรรมดาคําว่ารู้ในที่นี้ขอให้ถือว่ามีความหมายเฉพาะตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้ารู้ธรรมะก็หมายความว่ากําลังมีธรรมะอยู่ที่เดียวแล้วรู้สึกต่อธรรมะนั้นอยู่ จึงจะเรียกว่ารู้ธรรมะในที่นี้ก็เหมือนกันรู้ความว่างก็หมายถึงมีความว่างเพราะฉะนั้นจึงได้แนะให้สังเกตแนะแล้วแนะอีกในคราวก่อนๆนั้นว่าในขณะใดที่จิตมีความว่างอยู่บ้างแม้ไม่ใช่ว่างเด็ดขาดไม่ใช่ว่างสมบูรณ์ก็ขอให้รู้จักมันไว้เรื่อยๆในฐานะที่มันมีอยู่มากเหมือนกันในวันหนึ่งหนึ่ง อากแต่ว่ามันยังไม่แน่นอนไม่เป็นความว่างที่เด็ดขาดตายตัวลงไปยังกลับไปกลับมาอยู่แต่แม้กระนั้นก็ยังเป็นการดีมากถ้าใครอุตสาห์สังเกตสนใจรู้จักความว่างในทรรนองอย่างนั้นไปก่อนจะเป็นเหตุให้พอใจในความว่างและเป็นการง่ายที่จะปฏิบัติให้รู้ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นในที่นี้คาว่าเรารู้ความว่าง จึงหมายถึงว่ามีความว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกทีนี้คำว่าเห็นแจ้งความว่างก็ต้องอย่างเดียวกันอีกคือเห็นแจ้งประจักษ์ยิ่งขึ้นไปเมื่อเรารู้สึกว่าว่างอย่างไรแล้วเราพิจารณาดูหรือว่าเราทําความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าเห็นแจ้งหรือเห็นแจ้งทั้งตลอด คือรู้อย่างทั่วถึงสำหรับคำว่าเราเข้าถึงความว่างก็อย่างเดียวกันอีกหมายความว่าในขณะที่เราได้เข้าถึงตัวความว่างพูดอย่างสมมุติก็ว่าเราเข้าถึงความว่างถ้าพูดอย่างความจริงอย่างไม่ใช่สมมุติก็ว่าจิตเข้าถึงความว่างหรือว่าความรู้สึกนั้นเป็นผู้รู้สึกต่อความว่าง และเข้าถึงความว่างสำหรับคำว่าเป็นอยู่ด้วยความว่างนั้นย่อมหมายถึงสุญญตาวิหารคือการเป็นอยู่มีลมหายใจอยู่เป็นความรู้สึกต่อความว่างนั้นตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความว่างคำว่าว่างอยู่ ก็หมายความว่าไม่มีความรู้สึกว่าตัวว่าตนว่าของตัวว่าของตนตัวเราหรือของเราตัวกูหรือของกูเหล่านี้ซึ่งเป็นการปรุงแต่งของตัณหาอุปาทานเมื่อว่างจากสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็คือว่างอยู่อะไรมันว่างก็หมายถึงจิตอีกนั่นเองว่าง คือว่างอยู่จากความรู้สึกว่าตัวตนหรือว่าของตนไม่มีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดอย่างหยาบเราให้ชื่อมันว่าตัวกูของกูอย่างละเอียดเราให้ชื่อมันว่าตัวตนของตนถ้าจิตมีความว่างถึงขนาดว่าไม่มีตัวตนอย่างละเอียดก็เรียกว่าเป็นความว่างซิเอง คือว่าจิตนั้นเป็นความว่างซิเองสมกับที่คําสอนในพุทธศาสนาบางพวกบางนิกายเขาพูดว่าจิตคือความว่างความว่างคือจิตความว่างคือพุทธะพุทธะคือความว่างความว่างคือธรรมะธรรมะคือความว่างมันมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเป็นอันว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น ในบรรดาที่เรารู้จักนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างซึ่งจะได้ชี้ให้เห็นต่อไปโดยการพิจารณาคำว่าว่างนี้กันอีกครั้งหนึ่งคำพูดว่าว่างหรือความว่างนี้มันเล็งถึงของสองสิ่งคือเล็งถึงลักษณะสองลักษณะคำว่าว่างในลักษณะที่หนึ่งนั้นหมายถึง ลักษณะของสิ่งทั้งปวงขอให้กำหนดจดจำว่าลักษณะของสิ่งทั้งปวงคือความว่างคําว่าสิ่งทั้งปวงนี้จะต้องเข้าใจถูกต้องว่ามันหมายถึงทุกสิ่งจริงๆคําว่าทุกสิ่งนี้หมายถึงทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างที่จะใช้โวหารเรียกว่านับตั้งแต่ฝุน่นอนุภาคเล็กนิดหนึ่งขึ้นไป จนกระทั่งของมีค่าจนกระทั่งนามธรรมจนกระทั่งนิพพานเป็นที่สุดจากฝุ่นอนุภาคหนึ่งไปจนถึงนิพพานเป็นที่สุดนี้เรียกว่าสิ่งทั้งปวงที่นี้สิ่งทั้งปวงทุกๆสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งนี้มีลักษณะคือความว่างความว่างความหมายที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ดีเหมือนกัน ว่าแม้ในฝุ่นเม็ดหนึ่งมันมีความว่างจากตัวตนสูงขึ้นมาจะเป็นในเงินในทองในเพชรพลอยอะไรก็ตามนี้มันมีความว่างจากตัวตนเป็นลักษณะของมันกระทั่งมาเป็นเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องความคิดนึกความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นแต่ละสิ่งก็มีความว่างเป็นลักษณะของมันคือว่างจากตัวตนนั่นเองกระทั่งถึงการเรียนหรือการปฏิบัติธรรมะ มีลักษณะเป็นความว่างจากตัวตนกระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเป็นที่สุดคือมีลักษณะที่เป็นความว่างจากตัวตนอยู่ที่นั่นด้วยกันทั้งนั้นแต่แล้วเราไม่เห็นเองแม้แต่นกกระจอกที่กําลังบินไปบินมาอยู่นี้ก็มีลักษณะแห่งความว่างโดยสมบูรณ์อยู่ที่นกกระจอกนั้นแต่เราก็ไม่เห็นเอง ขอให้คิดดูให้พิจารณาดูให้สังเกตดูให้คำนวณดูจนกระทั่งเห็นว่าที่สิ่งทุกสิ่งมีความว่างคือมีลักษณะแห่งความว่างแสดงอยู่ทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่เห็นเองและจะโทษใครเหมือนอย่างปริศนาของพวกนิกายเซนที่เขาเรียกว่าโกอานนี้อย่างมีพูดว่าต้นสนแกค่คล้ำาต้นหนึ่ง กำลังแสดงทำอยู่แม้อย่างนี้ก็หมายถึงข้อที่ว่าแม้แต่ตนสนแก่นั้นมันก็แสดงความว่างได้เหมือนกันคือมันมีความว่างเหมือนกับสิ่งทุกสิ่งแต่คนก็ไม่มองเห็นหรือว่าไม่ได้ยินในข้อที่มันแสดงทำคือแสดงลักษณะของความว่างอยู่ทุกเมื่อขอให้เราจำให้ได้ว่า ความว่างนั้นมีอยู่ที่ทุกสิ่งเพราะว่าเป็นลักษณะของสิ่งทุกสิ่งสิ่งทุกสิ่งมีลักษณะคือความว่างนี่แหละคำว่าว่างในลักษณะที่แรกคือลักษณะของความว่างที่มีอยู่ที่สิ่งทุกสิ่งจึงเรียกว่าว่างนี่แหละเล็งถึงลักษณะของสิ่งทุกสิ่ง